คือภาวะแห่งความเป็นอิสระที่ผู้หลุดพ้นเป็นอิสระแล้วประสบอยู่ชื่นชมหรือเสวยรสอยู่และซึ่งทำให้ผู้นั้นปฏิบัติกิจอื่นๆได้ด้วยดีต่อๆไปได้ แ, แก่วิมุตในความหมายที่เป็นนิพพานวิมุตตามความหมายสามอย่างหลังนี้คือวิมุตที่สามที่สีและที่ห้าเป็นอสามายิกะเจโตวิมุตและเป็นโลกุตระวิมุต ว่าโดยสาระแท้มิมุตห้าอันได้แก่วิขัมพนะมิมุตตะทังขาวิมุตสมุดเฉท า, าวิมุมตมปฏิปสัสธิวิมุตและนิสรณะวิมุตนี้ก็คือสมถะวิปัสนามรรคผลและนิพพานตามลำดับจบบทที่8